ท่ได้ทรงตัดพรธรรมเทศนาวางกฎคือวศาสนาไว้เพื่อการวางกฎพระศาสนาคือว่าต้องการให้ทุกคนมีความสุขว่าเธอทั้งหลายต่อไปถ้าจะเทศคอยเทศโซคระบรรดาพุทธบริษัทเหมือนเหมือนกันเพราเวลาในตอนก่อนท่านองค์สมเด็จพระกขวันท่านประกาศพระศาสนาสอนเทศก่อนใครใครไปพระหัตถ์ก็ดีไปโสดาบันก็ตาม เมื่อท่านสมเด็จเจ้ก็ส่งไปประกาศพระศาสนาทุกคนหมดแต่ปรากฏว่าการแนะนํายังไม่เสมอกันท่านองค์ทมเด็จพระวัตรี่ได้วากฎเป็การสรแสดงพระบารมีศาสนาไว้ว่าท่านหลายเวลาจะเทศโปรดพุทธบริษัทคนเรืองหนึ่งสัรพปาภาษาการนังจงแนะนําให้ทุกคนไม่ทําความชั่วทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างมีปนานาติบาเป็นต้นไม่ทํากันสองกฎศาสนงสมัมชาต้องแนะนำให้ทุกคนทําได้ความดีสามพจิตตาปรี่ยวตะปันนางให้ทุกคนทําจิตใจของสายจากีเลศแต่องค์สังเดชพระบรมรกกูปกระเชจะทรงรับรองว่าข้าพเจ้าทุององค์ตัดอย่างนี้เหม็นขัดหนอนี่เป็นความดีมองค์ทังเดชพระบรมสุขกฎธรรมนี้เพราะอะไร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 ในเมื่อวันเนต ถ, ถาคตจะนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าจะนิพพานพาะนุนก็ร้องไห้เสียใจว่านับตนบัตินี้ไปข้รราวระเจ้ายังไม่เป็นประหนันไม่แค่พระโสดาบันก็มีบุคคลใดเล่าที่สอนต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไกรประมาสจาริัดว่ า, อ, า, นนา อ, น อ, นอนันทาโดยกอนอันนุนคำสอนใดใดที่ต ถ, ถาคุสอนกเกิแล้ว คำสอนใดที่จะหวงไว้เพื่อครูแลไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเราท้าสอนสอนตราทาก็อาสอนทั้งหมดขอให้บอสเฟทุกคนปฏิบัติตนตามนี้คือว่าอภมาเดนะสัมบาเดธา ว, ว่าท่านทั้งหลายกงยังาำไม่ประมา้ถึงพร้อมนั่นหมายความว่าไม่หน่อยหมายความ่าจงอย่าคิดว่ากรรมชั่วนึกแม้จะเล็กน้อยที่เราทามันจะไม่มีผล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 ตอนนี้ก็ามาจะพูดแล้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงนิพพานเพราะอะไรเป็นเหตุพุทธเจ้าเองเคยตรัสกว่าอนันต์ว่าอนัอนทะโดตุกตอนนต์บุคคลพูดใดเนี่ยพระผู้ใดก็ตามที่เข้าอิธิบาทสี่คือฉันทะวิญยะจิตจะวิมัญญงสาฉันทะมีความพอใจในการทําความดีวิญญาพังเพียรในการทําความดีจิตจะจิตใจจดจ่จ อ, จ อ, จอในความดีที่เราทํา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 ใครจะสามารถจะทำลายได้เมื่อถึงวาระแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันมีความจริงจะ่ปจะเทืจะอื่นนะ่ะมันลงกลาวไปแล้วก็ว่าไปคําว่ากรรมอนี้ที่พระพุทธเจ้าตอนนี้พ่านมาเยอะแปดสิบปีตามพระสูตรก็มีว่าในสมัยครัหนึ่งมาองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูกของคนจนชาวป่าเวลานั้นพ่อตายเหลือดแต่แม่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 ตามาพระราชาก็หมดทางกราคิดว่าจะมีใครบ่าที่มีป่าวสามารถจะปราบยักษ์ได้เีื่ให้ป่าประรากาศไปว่าถ้าใครสามารถรับอาสาปราบยักษ์ได้แค่ปราแค่รับอาสาพอรับอาสาเสร็จว่าจะปราบยักษ์ใช้ทองเท่าหลวงักหนักเท่าตคนเป็นเครื่องยืนยันไว้ก่อนแล้วสมมติว่าท่านตายครอบครัวก็จะมีทองขายดินได้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 ถ้าบางทีในน้ำมันขุนมากแต่เวลาไปทางหลังก็ใช้เวลาไปเดียวเดียวมันห่างก็ไม่กี่วาทางห่างก็ไม่กี่วารเดียวเดียวน้ามันจะใสไม่ได้เพราะน e <tinc S 1> ้ามันเปือตมยิ Rat ่งเห็นด้วยขออัศจรรกาวทุนองคตเปโตรตันอสันเตสพระวาค่าแต่องคตเปโตรผู้เป็นพ่เจ้าพูะเจริยภามาอัจรย์เกิดขึ้นเพราะว่าบากีีนี้พระเจ้าไปเป็นห้าร้อยเรื่องไม่ข้ามไป น้ำเป็นตนขุมคลักไม่สามารถจะตังมาได้ข้าวมาข้าวมาข้าวมาข้าว่าเข้าวองค์เดพระจอมตายแค่ประเดี๋ยวเดียวกลับไปทางสายเป็นเพราะอะไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงว่าอนันทาดูกฎอนุนการที่น้ำฝนน้ำใสเหตุเป็นอย่างนี้นี่ี่กฎพฤกกรรมในบรรดาญาติโยมบริษัทนะอย่าถือว่ากรรมเล็กน้อยไม่ให้ผลน้อยไม่มี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 ที่ถวายแล้วทำให้พ่อเจ้าพระฤาษีสมมาสมปิญญาใีเมรสมมากเขาว่าข้าวอาหารในวันิท้ผ่านเมรสมมากเป็นพิเศษที่เทวดานางพระก็อยากจะทําบุญบ้างนำมาของที่ประกอบปลายใส่ในกระทะทุกกทะที่ไปหอมเนื่อหมูองค์สมเด็จพระร่มคูก็ทรงสร้างวัวท้าพระเอื่นญใส่เข้าไปที่ตายหมดทั้งที่นี่ทุกคนไม่สามารถจะย่อยได้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 ก็สา่ในจำนวนอาหารทั้งหมดนี่ยากให้ใครกินเด็ดขาดถ้ากินแล้วตายให้นําไปฝังเขาก็นําไปฝังหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาคเจ้าเวลาตอนบ่ายเขาเสด็จไปที่ระหว่างนางรัมมะคู่ไปวิหารที่นั่นก็ทรงเข้าไปชวนอยู่หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมโคกเขาเล่าลอนลัดือเวลานาทีเดียวะ เวราชาวตรุองค์พุทเกษตรสวัสดีสมพระกับสมนิพานนิรันดรานั้นาาพุทธบริษัทหลายวันนี้จักมาเป็นวันสําคัญทั้งวันสาคัญคือหนึ่งเป็นวันพระเจ้ากเกิดสองเป็นวันพระเจากก้าตรุษสมามเป็นวันพระเจ้าบุ ท, า, ทานแต่ก็ขอท่านหลาย ท, าที่เป็นพุทธบริษัททุกคนจงจำว่าพระเจ้าสอนเรื่องยังไงคือหนึ่งสัมปะปาปัสายเดา น, นังทุกคนอย่าทําความชั่วทั้งหมด